อนอกน้อมแด่พระรจ้นตระสับอกิประพฤติธรรมประจ์ <c oughs> สวัสดีเพื่อนุนจารกรรมนิดทุกท่านและเจริญุขญาติโยมทุกคนที่ได้มาปฏิบัติร่วมกันอยู่ ณสถานที่นี้คือวันนี้เราได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมหรือระดมธรรมที่สี่วัดโมกซึ่งเป็นโอกาสดีมาก บรรยากาศที่ดีมากเรามาอยู่กับธรรมชาติที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดี <c oughs> มีหลายหลายสิ่งที่จะอำนวยความสุขให้เกิดขึ้น การที่พวกเรามาปฏิบัติธรรมหรือมาฝึกฝนอบรมจิตใจจุดหมายปลายทางของเราก็อยู่ที่การหาความสุขทางด้านจิตใจ เพราะความสุขในทางด้านร่างกายหรือว่าความสุขในทางฝ่ายโลกนั้นพวกเราทุกคนหรือพวกญาติธรรมทุกท่านก็คงจะได้ผ่านมาพอสมควร ผ่านทั้งความสุขผ่านทั้งความทุกข์มีประสบการณ์มาหลายหลายสิ่งหลายๆจายอย่างคือได้รับความรับประสบการณ์ทางชีวิตมามากพอสมควรแต่การที่เราได้รับมานั้น รับมาทั้งทางความสุขที่เรียวกว่าอามิสุขหรือว่าสามิสุขที่เราได้พยายามแสวงหามาตั้งแต่เราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตบ้างได้มีความล้มเหลวในชีวิตบ้างจับเปลี่ยนเปลี่ยนหมูนกันมาอยู่ตลอดเวลาบางครั้งก็สมความปรารถนาสมความตั้งใจที่ตนเองได้มาตนเองตั้งความปรารถนาไว้ เมื่อได้ตามความต้องการความปรารถนาะเราก็มีความภูมิใจมีความพอใจในสิ่งที่เราได้มาพนั้นบอกว่าเรามีความหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตแต่พอเราประสบ ได้รับความสำเร็จในชีวิตแล้วไม่นานความประสบผลสำเร็จในชีวิตของเรามันก็บางทีก็ล้มตลายไปการที่ความสุขที่เกิดจาก สิ่งในภายนอกที่เที่ยวกว่าสามนิสสุขนั้นที่มันล้มเหลวไปหรือว่ามันเกิดขึ้นมันเกิดมีปอทั้งมันล้มเหลวไปบ่อยครั้งเป็นเพราะเหตุอะไรการที่เราได้เราเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่เข้าใจในเรื่องชีวิต เรายังไม่เข้าใจในกดของธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อเราไม่เข้าใจในเรื่องทีจิตของเราซึ่งทีอยู่ในภายในตัวของเราเองคือพูดง่ายๆก็คือเราจังไม่เข้าใจเรื่องกายเรื่องใจของตแล้ว เราก็ยังไม่เข้าใจในกฎของธรรมชาติในภายนอกด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ในภายนอกนั้นมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติ ถ้าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันคือมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องมีเหตุให้เกิดแล้วมันก็มีปัจจัยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงกันไปอยู่เสมอ แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติมันจะต้องตกอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับไม่ได้หรือเรียกกันง่ายๆก็คือตกอยู่ภายใต้อำนาจของสามัญญาตษณะ คือตกอยู่ในภายใต้ของความเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุกและความไม่ใช่ยจนใช่ตุ่ไม่ว่าอะไรๆก็ตามที่เกิดขึ้นมา จะต้องตกอยู่ในสภาวะอย่างนี้เราจะไปเปลี่ยนให้มันเป็นไปอย่างอื่นมันไม่เป็นไปตามความต้องการของตราเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของฟันมันจะต้องเป็นไปตาม เหตุตามปัจจัยเช่นนั้นอยู่เสมอแล้วทีนี้ <c oughs> ทำไมมันถึงทำให้เราเกิดความเป็นุกทำไมถึงมันทำให้เราเกิดความเป็นสุขขึ้นมาได้ <c oughs> แล้วทีนี้เราจะต้องมาศึกษาภายในตัวของเราภายในกายภายในจิตของเราว่ากายจิตของเราก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะรุงแต่งเหมือนกันซึ่งมีลักษณะ ไม่เที่ยงไม่คงที่มีความแปรเปลี่ยนเป็นสภาวะที่บังคับไม่ได้เช่นเดียวกันกับสิ่งที่อยู่ในภายนอกคือสิ่งที่เราแสวงหาหาที่เรานึกว่าสิ่งท่งนั้นจะให้ความสุข เจรเมื่อชีวิตของเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในภายนอกซึ่งสิ่งในภายนอกก็ตกอยู่ในภาวะคือความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนใช่สู แล้วภายในตัวของเราก็ตกอยู่ในสภาวะเดียวกันเหมเมื่อมันตกอยู่ในสภาวะเดียวกันเนช่นนี้แล้วทั้งสองอย่างมันก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงไปแปรไปไม่คงอยู่ในสภาวะเดิมข้างนอกมันก็เปลี่ยนแปลง ข้างในมันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเมื่อข้างนอกมันเปลี่ยนแปลงไปเราก็ตั้งใจว่าถ้าหาว่าเราได้สิ่งนั้นมาเราได้สิ่งนี้มาคงจะมีความสุขคงจะมีความสบายใจ เพราะได้สิ่งที่เราต้องการเราปรารถนามาแล้วเราก็คิดว่าเราจะมีความสุขเราก็คิดว่าเราจะมีความพอเพียงพอกับสิ่งที่เราต้องการเราปรารถนานั้นแต่เมื่อได้มาจริงๆมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิด หรือบางทีก็อาจจะไม่ได้สิ่งนั้นมาตามที่เราคิดเราต้องการหรือได้มามันก็มีสภาวะที่ตกอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเช่นนี้เมื่อมันตกอยู่ในสภาวะที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้แล้วจิตใจ ภายในของเขาครบมีสภาวะที่ตรงตัดมีสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันมันก็เลยเกิดให้เกิดผลลบขึ้นมาทำให้เกิดการกระทบกระทั่งขึ้นไาในภายในจิตใจของเขา เมื่อเกิดความกระทบกระทั่งก็เกิดมีความกังคลเกิดมีความกังวลกังวายเกิดมีความไม่สบายใจเกิดมีความพังเตในชีวิตของเรามากขึ้นเมื่อมีความพลังเตในชีวิตไม่มีความแน่ใจในชีวิตของตัวเองมันก็ทำให้เกิดความปุ๊กขึ้นมา เพราะเราไม่เข้าใจกฎของธรรมชาติที่แท้จริงเมื่อเราไม่เข้าใจในกฎของธรรมชาติที่แท้จริงแล้วถ้าหากว่าชีวิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เพราะเรานึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นของเที่ยงมันเป็นของเราตลอดกาล ถ้าได้มันมาเราก็จะพอใจเราก็จะมีความต้องการยกตัวอย่างง่ายๆถ้าหากว่าเราได้สิ่งนั้นมาในขั้นแรกนี่ก็คงจะมีความพอใจในความโภมใจในผลสําเร็จของเราอย่างเช่นคนเราเนี่ยในตอนแร ก, แรกเนี่ย เป็นคนที่ยากจนไม่มีอะไรเลยมีความยากจนแต่มีความต้องการมีความปรารถนาตั้งจุดเลยว่าถ้าหากว่าเราได้มีเงินเดือนสักห้าพันบาทหรือว่าแปดพันบาทเนี่ยเราคงจะมีความสุข คงจะเพียงพอกับความต้องการความปรารถนาของจับแล้วเราก็พยายามที่จะให้ทำการให้ได้เงินเดือนตามที่เราต้องการที่เราปรารถนาแปดพันบาทได้เงินแปดพันบาทเข้ามาจริงๆทีนะตอนที่ได้เงินแปดพันบาทเข้ามาน่ะ มันรู้สึกว่ามันมีความภูมิใจมีความพอใจมีความตีใจในเงินเดือนแปดพันบาทในขั้นแรกแต่พอนานไปนานไปปีสองปีสามปีมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอีกในกจิตใจของเรา จากความพอใจจากความดีใจกลายเป็นเฉยๆเป็นธรรมดาได้แปดพันมามันก็ธรรมดาแค่นั้นแล้วเราก็ปรารถนาต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าได้สักสี่0มื่นคงจะพอ คงจะมีความสุขมีความสบายใจแล้วเราก็พยายามทำงานอย่างมีความเพียรมีความฝากบันเจ็บหอมพร้อมริบพยายามขยันทางานเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกับงานนั้นๆจนกระทั่งว่าเราได้มา เดือนละสี่0มื่นบาทจริงๆแต่การที่ได้เงินสี่หมื่นบาทเงินเดือนสี่หมื่นบาทมาภายหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าสบายใจบ้างแต่มันยังไม่สบายใจเท่ากับเราได้เงินเดือนแปดพันบาทครั้งแรกของกลับ เป็นเพราะเหตุไรเพราะว่าในขั้นแรกของเราเนี่ยเราตั้งจุดไว้สูงเราตั้งความปรารถนาไว้สูงแล้วเมื่อเราได้สาเร็จความตั้งใจความปรารถนาของเราที่เราตั้งไว้นั้นมันก็เลยเกิดความตีใจความโภมใจเป็นอย่างมากแต่พอครั้งที่สองเนี่ย ที่เราได้เงินเดือนสี่หมื่นบาทเนี่ยเราได้มามันก็ไม่ค่อยจะมีความโูมใจมากเหมือนครั้งก่อนกน่แล้วทีนี้เมื่อเรามีเงิน เ, นเดือนสี่มื่นบาทแล้วเนี่ย แต่ถ้าพีเหตุบังเอิญล้มเหลวในชีวิตลงเราตกจากงานที่เราทำอยู่หรือว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกิดมีอุปสรรคต่างๆขึ้นมาเรากลับไปได้เงินเดือน 5,000 บาทหรือ 8,000 บาทเช่นเดิมเนี่ย ทีนี้ความโผงใจมันจะไม่มีอยู่ในตัวหรือจะไม่มีหือจะไม่เหลืออยู่ในตัวเลยมันจะมีแต่ความเสียใจมีแต่ความพุบประคมทำไมชีวิตของเรามันถึงตกอับทำไมชีวิตของเรามันถึงอับจนเชิงนี้มากุ้มใจมาเป็นพุ ในการที่จนได้เงินเดือนแปดพันบาททั้งที่วันในตอนแรกเนี่เราได้เงินแปดพันบาทเนมันแสนที่จะตีใจแสนที่จะโคมใจแสนที่จะพอใจในเงินแปดพันบาทแต่ในตอนหลังนี่ฟังเอินเราได้เงินขึ้นไปถึงสี่หมื่นบาทเดือนและสี่หมืนบาท แล้วกลับมาได้เงินอีกมีเหตุบางอื่นททำให้เรากลับมาได้เงินแปดพันบาทเช่นเดิมมันทำให้เราเกิดความเป็นทุกข์เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเป็นอย่างมากนมันเป็นเพราะเหตุอะ ถ้าหากว่าเราจะได้ศึกษาในสิ่งต่างๆในภายนอกให้มันรู้ให้มันเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนแล้วก็ศึกษากฎธรรมชาติภายในกายในจิตของเราให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย เราจะสามารถรู้สามารถเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันการที่เราแสวงหาความสุขหรือภาพมนุษย์ทุกรูปทุกนามที่แสวงหาความสุขแต่ไม่ได้ประสบความสุขที่แท้จริง ก็เพราะความให้เข้าใจในเรื่องกฎของธรรมชาตินี้เองเมื่อเรายังไม่เข้าใจในกฎของธรรมชาติในเรื่องชีวิตในเรื่องจิตใจของเราเนะี่ยถึงเราจะหาทรัพสมบัติในภายนอกได้มากเท่าไหร่ มีความสามารถมีความเจงค่าาสามารถในการหาทรัพย์สมบัติในภายนอกจะมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่สามารถที่จะทำความสุขให้เราได้อย่างเต็มที่หรือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเสวยความสุขจากวัตถุภายนอกที่เราหามาได้อย่างเต็มที่ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าในภายในของเรามันปกตงเราไปสร้างเสริมเราไปสแสวงหาตั้งแต่วัตถุในภายนอกเมื่อเราได้วัตถุในภายนอกมาหนึ่งมันปัวขึ้นมาหนึ่งภายในจิตใจของเรามันก็ลบหนึ่ง มันก็เหลือศูนย์ตามเดิมเมื่อได้วัดภูภายนอกมันหนึ่งแล้วทางในมันลบหนึ่งมันก็เหลือศูนย์ตามเดิมคือเราไม่ได้พัฒนาไม่ได้ส่งเสริมไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ศึกษาภายในจิตใจของเราไม่ได้สร้างเสริมไม่ได้ เพิ่มพูนจิตใจพสิ่งที่อยู่ภายในของเราให้ต้อนรับวัตถุในภายนอกเพื่อจะให้มันสมดุลกันดังนั้นแม้ว่าในยุคนี้ที่เราเรียกกันว่ า, ย, กกวายุคโลกาจิวัปตปตะ วัตโุภายนอก็นทีามากมายกลายกองไม่ว่าอะไรนี่รู้สึกว่ามันจะดกจส บ, บายไปทั้งหมดน้ำก็ไม่ได้จักข้าวก็ไม่ได้ตำทุกสิ่งทุกอย่างนี่รู้สึกว่ามันเดินทางมาหาเราหมดน้ำก็เดินทางมาเพียงแต่ใช้ ข้ามมืออย่างเดียวไม่ตัองใช้ข้ามเนื้อเพเนื้อเหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนเนเราใช้ข้ามเนื้อของเราหาบมาจากพุ่งจากข้ากว่าจะมาถึงบ้านเนี่ก็ต้องใช้เวลานานพอนสมควรทุกวันนี้ไม่ต้องเพียงแต่ใช้ข้ามมือกดเอานิดเดียวแค่นั้นเอง น้ำก็ไหลออกมาให้เราใช้ให้เราอาให้เรากินได้อย่างสบายแล้วข้าวจางนี้ก็เช่นเดียวกันตั้งแต่ก่อนเนี่ยสังแต่สมัยปู่ ย, ย่าตายายหรือว่าสมัยที่พวก ร, รุ่นเรายัางเป็นหนุ่มๆอยู่นู้นถ้าหากว่าญาติโยมคนไหนเคยอยู่แถวบ้านนอกเนี่ยคงจะได้ทราบดี ว่าจะต้องตื่นตั้งแต่ 3, 4, ตีสามตีสี่ทข้าวกันพอตําข้าวเสร็จเนี่ยในช่วงระยะฤะดูหนาวนี่จะต้องไปออกไปตากน้ำรถผักรถยาต่างๆทำงานกัน อย่างเพิดเกินอยางสนุกสนานแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องใครมีข้าวต้องการข้าวสารก็ไม่ต้องหากไปสีเพียงจะบอกว่าวันนี้ต้องการข้าวสารเอาข้าวสารไปเอาข้าวที่อาจุ้งที่ฉางไปสีให้หน่องแล้วพวกลงสีเขาเอารถมาขนไป ไปสีให้แล้วก็ขนมาส่งเอกอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคืบอนานเข้ามาถึงบ้านถึงเรือนของเราคนที่ไม่ทํำไรทํานาเนี่ยข้าวสารมันก็เดินมาถึงบ้านของเราต้องการกิโลหนึ่งสองกิโลสามกิโลขาเอามาให้อาหารต้องการประเภทอะไรเขนํามาให้ถึงบ้านถึงเรือนของเักแสนเ จ, จ็ดสิบวัน มากมาแต่ทำไมคนเรามันยังไม่สบะคนเรามันถึงต้องมีความปุ๊กแทนที่จ ะ, สะเสวยความสุขได้อย่างเต็มอี่สมภาคโมใจของตัวเองเพราะความสุขทุกอย่างมันคพืบอผ่านเข้ามาถึง ก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้สนใจภายในของเราเราไปสนใจตั้งแต่ภายนอกเมื่อเราสนใจในภายนอกได้ไต่สิ่งในภายนอกเข้ามาแต่สิ่งในภายในมันเกิดลบอยู่เสมอมันก็ทำให้ภายในจิตใจของเราเด็ดรับศูนย์อยู่เสมอดังนั้นประเทศ ไหนที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ประเทศนั้นก็ยิ่งมีความทุกข์มากยิ่งมีความลำบากมากยกตัวอย่างง่ายเช่นอย่างประเทศแถวยุโรปหรือแถวอเมริกา เ, เขามีความสะดวกสบายมาก ทุกสิ่งทุกอย่างมันสบายไปหมดน้ำเนี่ยเราไม่ต้องใช้กล้ามมือด้วยซ้ำปัปพอเราเอามือไปลองเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาเลยแต่เราเอามือกลับน้ำมันตะหยุดอืม แล้วประตูเนี่ยเดินเราเดินไปเดินไปพอจะเข้าประตูมันก็เปิดให้แล้วบันไดเราเดินไปถึงเราไปเหยียบมันปัเลื่อนขึ้นไปให้เราอย่างกะบ่าเรียกว่าแทบจะไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ว่าปรากฏว่าคนอเมริกาเนี่ยเป็นคนที่ จะต้องฆ่าตัวตายมากที่สุดเพราะเกิดความทุกข์ความปุ้มใจแต่ประเทศเม็กซิโกซึ่งอยู่ติดกันปีชายแดนติดกันเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ยากจนต้องลำบากการทำมาหากินทุกสิ่งทุกอย่างคอยลักลอบเข้ามา ในอเมริกามหางานทําในอเมริกาเพราะว่างานในเม็กซิโกในหายากมากตลอดทั้งวันนีไม่ทํางานอะไรเลยพยายามที่จะเล็ดลอดข้ามรั้วที่กั้นชายแดนเข้ามาทํางานในอเมริกาจับกันเป็นหมู่เป็นหมูวันนั่งคอยดูพวกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพนเข้าเมืองของอเมริกาเนี่ยเผลอเวลาไหนเนี่ยจะต้องตากันกระโดดข้ามรั้วามาตันจิตพอเจ้าหน้าที่ตรวจพนเข้าเมืองพบเขาก็ับวิ่งไล่จับอ่าจับแล้วก็เขาก็เอาขึ้นรถส่งกลับไปแล้วก็พยายามกลับมาใหม่เพราะไม่มี โทษที่จะสามารถจำคุกจำตารางถ้าเข้าตารางได้แล้วก็พากันลักลอบมากระทั่งว่าเวลากลางค่กลางคืนเด็กเดินตีหนึ่งตีสองจนกระทั่งสว่างเนี่ยก็ต้องพยายามลักลอบเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งว่าพวกอเมริกาจะต้อง จ้างตำรวจจ้างคนคอยดูคอยควบคุมพวกที่จะข้ามชายแดดมาในี่ปีหนึ่งใช้เงินเป็นหลายล้านเหรียญทีเดียวปริมาณการฆ่าตัวตายนี่แทบจะไม่มีเลยก็เพราะเหตุไรเพราะว่าการที่เรา ถ้าเรามุ่งหรือว่าเราจะแสวงหาในด้านวัตถุเนี่ยมันโดยที่ไม่เข้าใจโดยไม่เข้าใจในเรื่องของวัตถุ <c oughs> ในเรื่องเหตุในเรื่องปัจจัยที่แท้จริงถึงเราจะแสวงหามาเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราเกิดความสุขได้อย่างเต็มที่ เพะในทางจ้านจิตใจเราไม่ได้พัฒนาขึ้นไปต้อนรับวัดปุคือไม่พัฒนาจิตใจขึ้นไปรองรับวัดปุภายนอกที่ความจเจริญในภายนอกที่มันหลั่งไหลเข้ามาเมื่อจิตใจมันต่ำลงวัดปุมันสูงขึ้น มันกะทำให้วัดปุที่สูงขึ้ น, นมาทับผมจิตใจของเราทำให้จิตใจของเราเกิดสภาวะอ่อนเอเมืเ่อสภาวะจิตใจของเราเกิดสภาวะที่อ่อนเอในภายในเนี่ยก็ต้องหาความสุขไม่ได้ เมื่อหาความสุขไม่ได้ก็คิดอยู่เสมอว่าถ้าหากว่าได้สิ่งนั้นมาคงจะสุขใจคงจะสบายใจอยู่ตลอดเวลาให้เราสังเกตดูว่าการที่ประเทศต่างๆในถ้าหากว่าประเทศใดเริ่มพัฒนาขึ้นไปทางด้านเทคโนโลยีในประเทศนั้นจะเริ่มค่าตัวตายมากขึ้น อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งพัฒนาไปตามอเมริกา <c oughs> เข้าทันอเมริกาขึ้นมาจํานวนคนที่ฆ่าตัวตายในประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็มีจํานวนมากพอๆกับอเมริกาขึ้นเดียวต่างแล้วเมืองไทยของเราเนี่ยขยับขึ้นมาพัฒนาขึ้นมานิดหนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่าการฆ่าตัวตายในมากมายที่สุดมามากมายพอสมควร เพราะเราไป่วงไปพวักพวนอยู่กับสิ่งในภายนอกคิดว่าสิ่งในภายนอกจะให้ความสุขแก่เราแต่เราลืมพัฒนาภายในจิตใจของตราถ้หาหากว่าเราพยายาม พัฒนาภายในจิตใจของเราขึ้นมาก้อนรับวัตถุรองรับวัตถุในภายนอกที่กําลังปลังไหลเข้ามาเนี่ย จ, จิตใจของเราก็สูงเทคโนโลยี้ในภายนอกก็สูงเราจะสามารถสวยความสุขจากวัตถุที่เราหามาได้อย่างเต็มที่ ถ้หาหากว่าเราจังขาดการพัฒนาจิตใจของเราการฝึกอบรมจิตใจของเราเนี่ยเราจะหาเฉพาะวัตถุภายนอกแต่หาไปเพืหาได้ก็ไม่มีความสุขเราก็ไม่สามารถยึดกับสวยความสุขจากวัตถุนั้นอย่างเต็มที่ได้ความจริงคนเรานั้นอ่ะ พระพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเรานั้นไม่มีทุกข์หรอกความทุกข์ไม่มีอยู่ในตัวของคนพระดังนั้นพระองค์จึงพยายามสอนอยู่เสมอว่าอย่าเอาทุกข์มาทับผมทนที่ไม่มีทุกข์ คือคนเรานั้นโดยมากจะพยายามหาเครื่องหาความพุกมาทับผมตนอยู่เสมออยู่อย่างมีความสุขแสนสบายอยู่ตามปกติเนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบ คนเราก็ไม่ค่อยชอบไปหาเครื่องหาดาวอะไรต่างๆมาใส่ตัวมาชิดมาปรุงมาแต่งเพราะคนเรานี่มันเป็นสังขารกันนิดนึงมันสามารถิปรุงแต่งได้ปรุงแต่งความสุขก็ได้ปรุงแต่งความทุกข์ก็ได้ แต่โดยมากนั้นคนเราไม่ค่อยชอบในการปรุงแต่งความสุขแต่ชอบในการปรุงแต่งความทุกมากกว่าบางครั้งบางคราวเรานอนอยู่เฉยๆในแทนที่เราจะคิดให้มีจิตใจลาดเดินให้มีจิตใจสบายมีจิตใจแจ่มชื่นอยู่ นอนสบายอยู่ในที่นอนของตับแต่กลับไปหาเรื่องมาใส่ตัวเองให้เกิดความพุกคิดว่าคนนั้นตูถูกตูบินเราเยียจะ้ะเราวันนี้ไปพบกับคนโน้นเขาพูดอย่างนั้นเขาพูดอย่างนี้ เขาดูถูกเขาเหยียดหยามเราคนนั้นพูดเรื่องของเราคนนี้อ่านินทาเราคนนั้นว่าอย่างโน้นว่าอย่างนี้ับหรือคนนั้นมาเล่าให้เราฟังว่าคนโน้นมาพูดเรื่องเราดูถูกเราดูเพ่นเราเหยียดยามเราเน่ยเราก็เอามาชิด ทั้งที่บางทีมันไม่เป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ไปเก็บเอามาชิดมาตรึกมาตรองมาเกิดความวีตกกังวลทำให้เกิดความทุกข์ทำให้เกิดควา ม, วามาาไม่สบายใจไม่สบายัจบางทีจนกระทั่งนอนไม่หลับ ตลอดทั้งคืนแทนที่เราจะปลอยแทนที่เราจะวางทําให้จิตใจมันกว้างทําให้จิตใจมันเปิดบางดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามาฝึกให้เรารู้จักพุกให้เรารู้จัก เพราะว่าทุกข์นัน่ะมันไม่มีอยู่ในเราถ้ามันเกิดขึ้นมาในเราในภายในจิตใจเราให้เรารู้ที่พระองค์บอกว่าทุกข์ขังกรินเจยจังคือถ้ามันทุกข์ขึ้นมาใหเรารู้มัน ให้เราเห็นมันถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นมันเนี่ยมันจะไม่ได้ปรุงมันจะไม่ได้แต่งมันจะไม่ได้ไปเกิดความวิตกกังวลมันจะไม่ได้ไปเกิดความทุกข์แก่ตัวของเับแต่เราไม่รู้เราไม่เห็น เราก็ไปคุ ก, กับมันเราก็กรอยให้มันมาคบกกระทับผมจิตใจของเราให้เราเกิดความปุ๊บเกิดความไม่ไกระบายจัถ้าหาว่าเรารู้เราเข้าใจเราเห็นความปุ๊บเรากำหนดรู้ความปุ๊บที่มันเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเนี่ย เราก็จะได้รู้ว่าเหตุของความเกิดทุกข์นั้นมันอยู่ที่ตรงไหนมันก็อยู่ที่ความคิดของเราเหตุที่เกิดความทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกให้ละนั่นเคยพยายามให้ละความคิดที่มันเกิดขึ้นละความคิดที่มันเกิดขึ้นเราเราก็พยายามสร้าง ความรู้สึกตัวให้มันเกิดขึ้นความรู้สึกตัวมันเกิดขึ้นเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นหนทางมันเป็นปัจจัยสําคัญที่จะดําเนินไปสู่ความไม่มีพกุกไม่ให้พุกเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราได้มันจะปิดขั้นความพกุกเพราะว่าความรู้สึกตัวนี่เป็นกุญแจอันสําคัญที่จะปิดกั้นความพกุก ไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดศีลให้เกิดสมาธิปัญญามันอยู่ที่ความรู้สึกตัวตัวนี้เองแล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดศีลสมาธิให้เราเกิดปัญญาในการที่จแจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วมันก็เป็นเหตุที่ทำปลายความทุกข์ลงไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันเรียกว่าต้นทางมันก็อยู่ที่ตรงนี้ปลายทางมันก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราสร้างตรงนี้เรารู้จากความทุกข์แต่เราอาศัยความ ปุกนี่แหละเป็นปันไดเป็นตะขานสําหรับที่จะไต่ข้ามไปพ้นความให้มันพ้นความทุกข์ถ้าหากว่าเรายังไม่เห็นปุกเราก็พ้นทุกข์ไม่ได้เมื่อใดเราเห็นความทุกข์เราพยายามหนีจากความทุกข์นั้นแหละเป็นหนทางที่เราจะ ไปถึงที่ไม่มีปุ๊บคือเราเห็นความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายทางจิตใจทางวัตถุเห็นความปุ๊บความคนได้ยากทางด้านจิตใจทางด้านร่างกายของประ เห็นสภาวะที่บังคับไม่ได้ที่เกิดขึ้นภายในตัวของเราด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกในภายในที่เรียกว่าธรรมาจักสุหรือว่าเห็นด้วยปัญญาเมื่อใดนั้นแ่ะความคลายความพุ๊มันจะเกิดขึ้น ขอให้เราพยายามทําความรู้สึกตัวให้มันมากมากเพราะว่าความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นตัวสําคัญที่สุดในการสําหรับผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกตัวมากเท่าไรความทุกข์มันจะน้อยลงมากเท่านั้น ความทุกมันจะน้อยตรงน้อยตรงน้อยตรงน้อยตรงจนกระทั่งว่าเรามีความรู้สึกติดต่อกันเนื่องต่อกันโด ย, โด ย, โดยตลอดความทุกมันก็จะดับไปเมื่อเราพัฒนาจิตใจขึ้นมาได้ถึงกระดับนี้แล้วเราได้อะไรมามันก็เราจะได้สวรรคความสุขในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ เราไม่ได้อะไรมาเราก็จะมีความสุขจบภายในจิตใจของกรเรามานอนอยู่กลางดินทานข้าวเวลาเดียวปุเรไม่สูกมากไม่เชี้ยวโทรทัศน์ไม่มีดูวิทยุไม่มีฟังหนังสือพิมไม่มีอ่าอะไรอะไรที่เป็น สิ่งต่างๆที่เสียกว่าเป็นอาวุธ ท, ที่จะทำให้ความจะเกิดความสุขจังที่เราต้องการเราปรารถนามาแต่ก่อนนั้นหยุดนะสถานที่นี้ไม่มีแล้วเมื่อเรามาอยู่ที่นี้แล้วถ้าหากว่าจิตใจของเรามันสูงขึ้นยกระดับจิตใจของเราสูงขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าเรานอนอยู่กลางดินกินต่างสายตาส ผืนเสือผืนหอนใบนี้แหละมันจะนอนอย่างมีความสุขมีความสบายมีความเชื่อกเกียนอยู่ในภายในจิตใจของกลับไม่ได้เกิดความร้อนรุมเหมือนเรานอนอยู่บนบ้านของเรานอนอยู่บนเตียงนอนอยู่บนผูกสูงสูงนอนอยู่ในที่สบายสบายคว้างขี มันก็ร้อนปรุงขึ้นมาแต่เมื่อเรามันนอนอยู่เนี่ยเรามาปรึกดูเรามาปราาปึกพระพุทธเจ้าให้พระจาจารย์ให้เราปึกให้เรามีศีลตั้งแต่ในเบื้องต้นคือตั้งแต่การที่เรามีศีลห้าก็เพื่อจะปึกให้เราจยู่ในสังคมได้อย่างสบายนั่นเอง คือฝึกให้เราไม่พยาบาทเตียดเตียนกันไม่อิจฉาติยาไม่รักไม่ขบโมยกันไม่ร่วงกระเมอในลูกในหัวในเมียของกันและกันไม่โกหกโมกตไม่ดื่มเหล้าเมาสุราไม่ติดยาเสพติดหรือว่าการพัฒนาต่างๆเนี่ย เพื่อจะให้สังคมของเราจูด้วยความสงบสุขให้จูด้วยความสบายกันแล้วถ้าใครมีศรัทธาอย่างที่เรามาปึกกันอยู่นะที่นี้เราก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มไปอีกว่าเราฉันข้าวเฉพาะตอนเช้าขึ้นมาถึงเที่ยงเวลาหนึ่งหรือสองเวลา เราเว้นจากการดูการป้อนการทำการประคมจนตีพวกวิทยุโทรทัศน์หมอทำแอะไรต่างๆเนี่ยการประดับตกแต่งการหาดทรงเครื่องหอมต่างๆเนี่ยกระเทจุต่างๆเนี่ยเรางดเว้นกันแล้วก็เว้นจากที่นอนสูงนอนใจภายในที่ยัดโดยนุ่นด้วยสัมปีอะไรต่างๆกำนองเนี่ย ให้เรามาฝึกให้มันสูงขึ้นไปเพื่อจะหาความสุขอันประนีตรนิชขึ้นไปเป็นลำดับเป็นลำดับขึ้นไปคือเราพยายามฝึกจากหาความสุขที่ยาบที่สุดแล้วก็ให้มันมีได้ความสุขที่ละเอียดขึ้นไปที่ละเอียดขึ้นไปที่ละเอียดขึ้นไปจนกระทั่ง หาความสุขที่ไม่ต้องอาศัยวัตภุอะไรเป็นเครื่องกรอกเป็นเครื่องทําให้เกิดความสุขให้มันเกิดเป็นความสุขธรรมชาติอย่างแท้จริงคือเราจะไม่มีอะไรเลยเราก็มีสุขอยู่ได้เรามีอะไรเราก็มีสุขอยู่ได้อย่างที่ในกระตปิดอกก่อนหนึ่ง ท่านได้กล่าวไว้ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยมีาพาหณ์คนหนึ่งเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนั่งนอนหยุบหายใต้โคนต้นไม้ในฤดูนาวแล้วก็มาคิดตำหนิ องสำเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวะเอเจ้าสิทธะกุ ม, มารเนี่ยเป็นผู้ที่เพียบพรบ้อมในความสุขทุกอย่างเป็นขึงกริยัมีปราสาทอยู่ทั้งสามหลังและโดหนาวก็อยู่ปราสาทหลังหนึ่ง ในฤดูร้อนก็กรประทับอยู่ประสาทหลังหนึ่งในฤดูฝนก็ประทับอยู่ประสาทหลังหนึ่งแล้วความสุขฮุกอย่างที่เตียพร้อมทุกอย่างมีคนพรนเปิดมีคนเอาใจต้องการสนมทางสนมกำนันไตทปีเป็นหมื่นเป็นพันคอยบำรุงบำเร อ, อยู่ทำไมโง่ถึงขนาดนี้ มานอนอูุภายใต้ต้นไม้นอนจอุบนดินแล้วก็เลยเข้าไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์ทำไมมาทนปุบมาทรมานอยู่เช่นนี้ทำไมไม่ไปเกืเความสุขตามที่ อยู่ในพระราชวังโน้นพระพุทธเจ้ากระตัสตอบถามว่าดูกามตามท่านว่าท่านเห็นใครว่ามีความสุขกว่าพอพระพุทธเจ้าถามแค่นี้ถามก็งงแง่เท่ใครว่ามีความสุขกว่าพระพุทธเจ้า คำามก็เลยมันนึกว่ า, าใครวะมีความสุขกิงนึกไปนึกมาไปเห็นไปว่าพระเจ้าพิสารผู้เป็นใหญ่ในแคว้นมคตเนี่ยพระองค์เป็นผู้ที่มีอนุภาพมากเป็นผู้ที่มีพร้อมเสร็จทุกอย่างต้องการสิิงใจในแผ่นดินนี้ที่พระองค์ต้องการปรารถนาพระองค์จะต้องได้ แล้วพระองค์จะต้องมีความสุขกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วพรามณ์ก็เลยบอกว่าพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นใหญ่ในแนคว้นมคธเนี่ป็นผู้มีความสุขกว่าพระองค์พระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้น สามารถจะหาความสุขอยู่ได้ด้วยการนั่งการนอนอยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันโดยไม่ดีอะไรนะมีผ้าฝืนเดียวแล้วก็มานอนอยู่กลางดินหรือภายใต้ต้นไม้ยางกราเีราในเวลาละดูหนาวพระเจ้าพิมพิสานจะมีความสุขได้หรนะือไม่ขอบ ามได้กินอย่างนั้นก็มาคิดว่าเอ๊ะพระเจ้าพิมพิสารจะมาอยู่อย่างนี้คงจะอยู่ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสบอกกับหามไปว่าพระเจ้าพิมพิสารนั้นถึงจะมีอำนาจวาสนาต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินได้ ต้องการสิ่งใดพระองค์ได้จริงแต่ถ้าหาว่าพระองค์เนี่ยหาสิ่งใดที่พระองค์ต้องการปรารถนาไม่ได้พระองค์ก็จะต้องมีความทุกข์และพระองค์จะต้องระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะใครจะมาชิงพระจะสมบัติของเราใครจะมาแย่งชิงแผ่นดินของเราปะ จะต้องคอยวิตกวิจารณ์อยู่กับพระราชสมปัตษ์จะต้องวิตกวิจารก็จะต้องวิตกกังพลอยู่กับแพื่นแฟนของพระองค์เนี่ยตัวข่าศึัตรูจะมาแย้งชิงไปเพราะว่าความคุกอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระมหากษัตริย์ก็คือการที่โูกทิงราชบัลลังก์หรือการที่โูกแย้งชิงแผ่นดิน ดังนั้นการที่พระเจ้าพิมพิสารจะพานั่งนอนเกี่บปนตินกินปนตายนอนจะมีผ้า พ, พันเดียวในฤดูนหนาวภายใต้ต้นไม้ยางกับเราพระเจ้าพิมพิสารจะเป็นกุศลหันดังนั้นเราจะมีราอาจะมี อ, อยู่ในราชสมบัติหรือไม่อยู่ในราชสมบัติก็ตามไม่มีอะไรก็ตามมีผ้าพเพียงไตรวัว นอนจู่ในระดูหนาวเนี่ยายใต้ร่มไม้เนี่ยเราก็หาความสุขได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ต้องอาศัยวัตถุดังนั้นเราก็พอจะมองเห็นได้ว่าฮ่าหากว่าบุาาาคคลใดที่สามารถพัฒนาจิตใจขึ้นให้สูงมีจิตใจสูงพัฒนาจิตใจให้แก่กล้า ให้มีกำลังสามารถที่จะรองรับความสุกกันหลังไหลมาจากภายนอกได้หรือว่าสามารถที่จะรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่จะหลังกระหลังไหลเข้ามาทับผมจิตใจได้โดยไม่มีความทุกข์เลือกว่ามีก็เป็นสุขไม่มีก็เป็นสุขก็คือการที่เราจะต้อง พัฒนาจิตใจให้มันขึ้นเข่าเทียมกับสิ่งในภายนอกคอยสรารองรับสิ่งที่เกิดขึ้นในภายนอก ไ, ไ้ให้มันมีกำลังเหนือกว่าสิ่งที่อยู่ในภายนอกถ้าหากว่าจิตใจของเรามีกำลังมากเท่าไรมีกาลังมากเท่าไร สิ่งในภายนอกมันก็จะไม่มีปัญหาอย่างเช่นการที่เราต้องการที่จะให้เรามีกําลังกายเราพยายามสร้างกําลังกายของเราให้เพิ่มขึ้นเราสร้างกําลังกายของเราให้เพิ่มขึ้นสร้างกําลังกายของเราให้เพิ่มขึ้นเมื่อกําลังกายของเราแข็งแกร่ง มากเท่าไหรเราก็สามารถที่จะรองรับความหนักหรือความกระทบกระเกือนต่างนอกไะยมากเท่านั้นแม้ว่าสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแบกได้เราไม่สามารถที่จะยกมันขึ้นมาได้เนี่ยถ้าเราฝึกไปฝึกไปฝึกไปในที่เกิดสิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรายกขึ้นได้ เราแบกได้อย่างสบาขเพราะกลังกายของเรามีแล้วถ้าหากว่าเราพัฒนาเราปึกจิตของเราให้มีกําลังก็เช่นเดียวกันเราสามารถที่จะรองรับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างส บ, บัยไม่ว่าเหตุการณ์นั้นพันจะหนัด เท่าไรเราก็สามารถที่จะรองรับได้ถ้าใจิตใจเรามีความแข็งแกร่งาเท่าไรเราก็สามารถที่จะรับสถานการณ์เหตุร้ายในภายนอกไปเท่านั้นถ้ามีกําลังมากจริงๆนี่ก็สบายไม่ต้องห่วงไม่ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นร้ายแรงถึงขนาดไหนก็ตาม ดังนั้นการที่เราจะดาเนินไปสู่จุดนี้ได้เราจะต้องสร้างจากความรู้สึกตัวในเบื้องต้นเล็กๆไปก่อนเราจะต้องสร้างพยยามสร้างขึ้นไปเรื่อยๆให้มันมีความรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้สึกตัวเรื่อยๆให้มันมากเข้ามากเข้าเรียกว่าสะสมบารมีให้เราให้มันพร้อมอ ถึงว่ามันบางครั้งบางคร า, าวมันจะมีอุปสรรคอย่างไรที่จะเกิด ข, ขึ้นมาขวางกั้นเราก็ตักเราพยายาม่าฟันอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้ด้วยความเพียรด้วยความพยายามเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีอุปสรรคไม่ว่าเราจะดาเนินชีวิต อยู่ในโลกเราจะแสวงหาวัดปุที่จะพาสนองต้องการาความต้องการต้องการทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่เราปลูกผักทำสวนมันก็มีอุปสรรคมันจะต้องมีอุปสรรคเราไปทำการทำงานอะไรต่างๆมันล้วนแต่มีอุปสรรค แต่เราก็พยายามแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราเราพยายามสร้างสติปัญญาให้มันมากถ้าเราต้องการซับในภายนอกเราก็สร้างสติปัญญาของเราด้วยการศึกษาเก้าเรียนในเรื่องการอ่า์ในการ ทำการเกษตรในการทาการอุตสาหกรรมต่างๆเราศึกษาให้มันเข้าใจแล้วเงินฟองมันก็จะได้มาแต่ถ้าเราต้องการแก้ไขภายในใจิตใจของเราเราก็ต้องมาสร้างมาฝึกมาอบรมกำหนดรู้ความคุกกำหนดสร้างความรู้สึกด้วยการที่จะ สร้างจังหวะการยกมือการเดินจงกรมการเืนการทั่งการผู้แขนเกียดแขนตืนทั้งกายอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นไปจากที่นี้ก่อนแล้วความรู้สึกตัวนี้มันจะเดินไปเดินไปถึงจุดนั้นเองแล้วความทุกข์มันก็จะดับลงไปที่ตรงที่จุดนี้เอง ดังนั้นจุดที่สำคัญสิ่งที่ต้องปรารถนาของนักปฏิบัติมันอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราไปถึงจุดนี้ก็ถือว่าการปฏิบัติของเราได้ดำเนินไปอย่างถูกต้องการปฏิบัติของเราได้ประสบความสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนไปกระทั่งจบทุก คือทกไม่สามารถที่จะก้าวเข้ามาสู่จิตใจของเราได้อีกต่อไปนั้นแหละเป็นจุดหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาจุดสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราเดินไปถึงจุดตรงนี้ก็ถือว่าเราเดินทางไปถึงจุดสุดยอดของพระศาสนา เรียกว่าอยู่จบพรมหมจรรย์ไม่มีสิ่งอะไรที่จะทำอีกสำหรับตัวเองนอกจากว่าจิตที่จะต้องทำต่อสังคมเท่านั้นดังนั้นก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาปฏิบัติหรือพระคุณเจ้าทุกรูปที่มาปฏิบัติ อยู่ณสถานที่นี้จงพยายามเริ่มต้นถ้าหากว่าใครมีความรู้สึกตัวก็ให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่เราสวดในตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้าง่ะคึกหา ปัจจุป น, นัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุพราะเยเธือผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจม่มแจ้งไม่งอนแงมคอนแคลกเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไวธรรมในที่นี้ก็หมายถึงว่า เรามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเราเห็นการเคลื่อนไหวทางกายทางจิตใจของเราแจ่มชัดขึ้นนั้นและเป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องรักษาเป็นสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มขูนให้มากขึ้นมากขึ้ น, นแล้วเราจะถึงจุด คือความสำเร็จในชีวิตในการปฏิบัติของหรักดังนั้นก็เห็นว่าวันนี้ก็คงจะสมควรเจวเวลาแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาปฏิบัติอยู่ณสถานที่นี้จงตั้งใจปฏิบัติ ให้คิดอยู่เสมอว่าการที่เราสละเวลามาปฏิบัติอยู่ณสถานที่นี้เราจะต้องพยายามให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าเราไม่ได้อะไรอะไรเลยก็ขอให้เราได้ความรู้สึกตัวกลับไปบ้างให้ได้ความสบายใจกลับคืนไปบ้างอ่า ยางภาษายิสารธนวาดอข่านได้ล่งมือแล้วเพาเป็นบุงก็เป็นกาสันพาะเป็นกษ า, ากเป็นของไสปูอ่ะสันมันได้จากยางหนึ่งให้มันได้กลับไปบ้านไปเมืองของเฮาแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านได้เกิดสติปัญญาขอให้ บุญให้กุศลในการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ณนะสถานที่นี้จงเป็นภาะวะปัจจัยให้เกิดสติปัญญาสามารถยังรู้ในสัจธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้มีสติปัญญารุ่งเรืองอยู่ยภายใต้ร่มโพธิ์ทองของพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทิอน